มขณะนี้พระอยู่ที่วัดของเราสามสิบเจ็ดวันนี้ลงลงมาฉันยี่สิบสามรูปงดฉันไม่มาฉันสิบสี่รูปเพราะนั้นยังพระยังบางตาพระไม่ค่อยมาฉันพร้อมกันอดอาหารบังภาวนาของท่านแต่หลวงพ่อก็บอกนะทดลองนะนะอดอาหารถ้าฉันอาหารทุกวันโดยมากความห่วงความห่วงจะทับถม แต่ทางเราอดอาหารอาหารไม่มีอยู่ในท้องเนี่ยร่างกายมันเบาวิวเนี่ยคือการให้ทดลองดูไม่ใช่บังคับให้ทำให้ทดสอบให้ทดลองดูเหมือนกับทำมาค้าขายเราค้าขายยังไงจะได้กาไรค้าขายยังไงขาดทุนมันก็ต้องสังเกตกับตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติภาวนาก็ให้ให้สังเกตตัวเองในการปฏิบัติ พระกรรมาฐานพาป่าเนี่ยเป็นปฏิปทาที่อดอยากนะพระกรรมาฐานไม่ใช่ปฏิปทาที่ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเพราะนั้นพวกเราจึงค่อยลูกหลานที่บวชเข้ามาภายหลังก็ทดสอบปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพาปฏิบัติมาแต่หลวงพ่อเองถึงจะพระจะอดอาหารภายในวัดมากหรือหลายวัน สามสี่ห้าหกวันเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรพอหลวงพ่อเคยอดมาแล้วเคยกระทามาแล้วเคยอดมาแล้วแต่บางคนก็อยากจะถามว่าหลวงพ่ออดนานที่สุดกี่วันหลวงพ่อว่ายี่สิบห้าวันเคยอดมากที่สุดยี่สิบห้าวันแต่เป็นยังไงสองสามวันไม่หิวหรอกแต่มันก็ยังอาหาร ไขมันยังยังมีอยู่งั้นแต่พอสี่ห้าวันเข้าไปเลยทีนี้นเบาแล้วที น, นี้เดินยืดก้มนั่งภาวนาโอ้ดีแต่สองสามวันรู้สึกมันยังจะอึดๆอยู่งั้นเถอแต่สี่ห้าวันไปแล้วดีแต่เจ็ดแปดวันเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหน่อยเพลียแล้วนะทีนีน้แต่ให้หิวไม่หิวแต่ว่าอ่อนเพลียแต่พอสิบกว่าวันขึ้นไปสิบห้าสิบหกวันขึ้นไป กลางคืนเนี่ยจะแข็งแรงอากาศเย็นๆเนี่จะดีแต่พอตอนบ่ายเที่ยงไปถึงหาบ่ายสองบ่ายสามโมงเนยรู้สึกว่าจะเหนื่อยเพลียมันร้อนมั้งเนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้สังเกตหมดเพราะว่าอ่านการอดอาหารไม่ใช่ว่าเราทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตัดเอาไว้ว่าอัตตะกิละมัตถะ ทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าแล้วก็มัชชิ ม, มาปฏิปทาเดินสายกลางกามาสุขันลิกาไม่ฝึกฝนอบรมตนเลยอยู่ตามอัตภาพอยู่ตามลําพังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอันนี้ว่ากามาสุขันลิกาอัตกิลมัตถาเนี่ยทรมานจนให้สุดโต่งไปทรมานตนให้ลําบากเปล่ากระทาให้ จิตใจพวัขวบวาวนเหมือนกันเพราะร่างกายมันไม่ได้รับความสัปปายะในการเป็นอยู่เพราะนั้นทั้งสองที่เราปฏิบัติอดอาหารนี่เราก็สังเกตทั้งกายด้วยสังเกตทั้งใจเราด้วยกายของเราอยู่ไหวไหมทนไหวไหมเหมือนกับเราขับรถอย่างนั้นอ่ะรถของเราจะปีนเขาไหวไหมก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าคนขับเพราะเราเคยขับ ม, มาพอแรงแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน การปฏิบัติก็ต้องสังเกตตนอย่างนั้นนะว่าร่างกายของเราทนไหวไหมเพราะเหตุไรใจของเราก็เหมือนกับเจ้าของรถหรือคนขับรถ่ะรถก็คเหมือนกับร่างกายร่างกายของเราจะทนไหวไหมถ้าทนไม่ไหวเราจะไปอดทําไมเราก็ต้องถอยกลับมาฉันซะแล้วก็ฝึกหัดดูสังเกตด้วยตัวเองอีก สรุปแล้วก็คือการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานเข้ามาบวชเพื่อสังเกตใจตัวเองดูใจตัวเองอบรมใจตัวเองฝึกขัดใจตัวเองฝึกฝนใจตัวเองมนโนปุพังคมาธ ร, รมามนโนเสฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจในหลักของพุทธศาสนานี่ยกประเด็นใจเนี่เป็นใหญ่เพราะเหตุอะไร ที่เรามองไม่เห็นแต่มีพลังใจนี่มีพลังมองไม่เห็นแต่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าสมองสมองเป็นตัวคิดแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าดูลึกลงไปอีกกว่านั้นอีกว่าใจใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเหมือนกับเราใช้คอมพิวเตอร์อย่างนั้นกดคอมพิวเตอร์เปิดสวิต์ขึ้นมาแล้วก็กดคอมพิวเตอร์ใช้ใจน่นก็คือเจ้าของเป็นผู้เปิดสวิต แล้วก็กดคอมพิวเตอร์ใช้นี่อันนี้พระพุทธเจ้าสนใจที่คนที่เปิดสวิตไฟหรือใช้คอมพิวเตอร์คนนั้นเป็นสิ่งที่สนใจและสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าทั้ง6ปีอยู่ในป่าดงพงไพ่นนี้ก็คือแนวความคิดของพุทธศาสนาเป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วจะเป็นในรูปลักษณะอย่างนี้แต่ตามให้จริงทางโลกท่านสอนไหมท่านก็สอนพิธีทางโลกเป็นอยู่อย่างไรอย่างนี้นผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้ก็คือพวกนักพจนักบวชอย่างที่พวกเรามาบวชอยู่ในปา่าโรงพงไผ่อย่างเนี้ย mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่เมื่อเป็นพระวัดญาติโยมควรจะทําตนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็วางไว้อีก เมื่อเป็นคราวัตเนในปัจจุบันทิฏฐธรรมมีประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบัน4ี่อย่างอุถานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอันนี้ก็คือขยันหาทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศสนเสริญสุขราคาสัมปทาเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วให้รักษ า, าไว้อย่าให้เสื่อมเสียไปอย่าให้เสียหายรักษาจะทายังไงคือรักษ า, าไว้ให้อยู่ กนยาณมิตรคบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเลวสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปป้นไปคดไปโกงเขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาคือเมื่อเป็นเราเป็นอยู่ในปัจจุบันทิฏฐธรรมิกาตรประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายกิ่งประโยชน์ประโยชน์ในอนาคตก็มีอีกพระพุทธเจ้าเราว่าศรัทธาสัมปทา สัมป라이ยะกันรประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้า 4. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าว่าเราไม่เชื่อสักอย่างเดียวไม่มีศรัทธาคือความเชื่อเหมือนกับเราเอากระลำมังด้ตุ่มน้ำนะ่ะความปากมัน ใครจะพูดยังไงครูบาอาจารย์จะแนะนําดียังไงอเอหมือนกับเราเท น, น้ําำสิตรถก้นกระมังอย่างนั้นอ่ะมันไม่รับน้ําในเมื่อมันไม่รับน้ำํำคือความไม่เชื่อนะี่ปิดทั้งหมดปิดหูปิดตาปิดใจตัวเองแล้วท่านี้จะรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างไรเพราะศรัทธาคือความไม่เชื่อมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้เปิดว่าศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนหรืออาจจะเป็นไปได้ ในหลักของพระพุทธศาสนานี่ถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้ตระกูลชาติไทยของเราหรือพุทธศาสนาคงจะไม่ยืนยาวถึงขนาดนี้อันนี้มาถึงสอง0ันกว่าปีคงจะมีดีบางอย่างคงจะมีข้อคิดหรือว่าแนวความคิดที่ลึกซึ้งคนโบ ร, มมราณเขายังถือสืบทอดกันมาอันนี้คื อ, คอตั้งศรัทธาเบื้องต้นไว้ก่อนคือเชื่อไว้ก่อน จากนั้นเราก็ค่อยลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระธรรมคำสั่งสอนสอนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าไปตัดรู้ตัดสู้เรื่องอะไรสาเหตุที่ทําทําเพราะอย่างไรมันต้องมีแถวแนวออกไปนะตามธรรมคาสั่งสอนอันนี้ว่าศรัทธาคือความเชื่อเชื่อพระธรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์จริงมีจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อันนี้ว่าศรัทธา ศีละศีลคือรักษากายวจจาจใจให้เรียบร้อยเมื่อเชื่อแล้วท่นนี่เมื่อเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าจะให้มีความสงบร่มเย็นเป็นถุกต้องเป็นผู้มีศีล น, นะถ้าขาดศีลซะอย่างเดียวเท่านั้ น, นโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเพราะว่ามนุษย์ขาดศีลคือกาดขาดกฎหมายไม่แพ้สัตว์ป่าถ้าคนในชาติหรือคนในโลกไม่มีกฎหมายคุ้มครอง มันก็เหมือนสัตว์ป่าตัวไหนมีกําลังมากตัวนั้นก็ต้องบังคับอย่างพวกเราเห็นลิงเห็นสัตว์ป่าเนะตัวไหนใหญ่ตัวไหนมีเขี้ยวตัวไหนมีกําลังก็ข่มขู่เอาชนะมู่หมดผิดถูกไม่ว่าถ้ามันถูกก็ไม่ก็ไม่ว่ากันแต่มันไม่รู้แท้ๆเพราะมันอํานาจมีในการขม่มขู่คนอื่นอันนี้คือเคยมีกฎหมายขึ้นมาอันนี้ก็คือมนุษย์ของเราก็ต้องมีกฎหมาย ไม่รู้อยู่ประเทศไหนชาติไหนกลุ่มไหนคณะไหนก็ต้องมีกฎระเบียบในกลุ่มนั้นคณะนั้นเพราะฉนั้นใน ห, หลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้า ก, ก็บัญญัติศีลขึ้นมากัเพื่อคุ้มครองพุทธบริษัทสี่ของพระ อ, องค์เหมือนกันพระสงฆ์ควรทําตนอย่างไรครวัตญาตโยมควรทําตนอย่างไรอันนี้แปลว่าศีลศีลวิ น, นัยกฎหมายอันเดียวกันเพราะฉนั้นพวกเราถึงว่าศีลตนเองก็เลย เป็นของคือของร้าสมัยกลัวไปหมดเฮ้ผ้าให้รักษาศีลแต่ตามไม่จริงคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันนั่นแหละนี่แหละศีลข้ามีคนมีศีลแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกใครไม่ดื่มสุราเออถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นไงเมาลุกขับรถชนด่าไปหมดหน่ากลัวยิ่งกลัวอะไร ถ้าคนเมาเหล้าขึ้นมาแล้วถือปืนถือหอกถือดาบขึ้นมาแล้วคนขาดสติเป็นยังไงมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรถ้าทุกคนไม่ดื่มดีไหมทุกคนเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมเนี่ยศินของพระพุทธเจ้าคุ้มครองละ่ะถ้ า, าว่าคนมีศินไปที่ไหนมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ระแวงแข่งใจกันอันนี้คือศินของ พ, พุทธศาสนาศินสมาธิคือความตั้งใจมั่นแล้วก็ปัญญา รอบรู้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลนี่แหละสัมปรายกตะประโยชน์ประโยชน์นิพายภาคหน้าสี่อย่างศรัทธาสัมปทาศีระสัมปทาภาวนาสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมโดยปัญญาปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองเหตุและผลเราเป็นอยู่อย่างไรในขณะนี้เดี๋ยว น, นี้ชีวิตของพวกเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่ แล้วควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรการวางแผนในอนาคตของตนเองพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดพนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้ว พ, พุทธเจ้าอ้างเหตุและผลถ้าจะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องได้นํามาพิจารณาไตรตรองเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ถ้าว่าพวกเรานำธรรมะเข้ามาใค่ควรไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วนั่นแหละ ความสงบพรมเย็นเป็นสุปก็จะเกิดขึ้นแต่ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนว่าอนัตตาอย่างนี้พวกเราได้ยินแล้วก็โอ้ทาไมจึงปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราวางเฉยขนาดนั้นเหรอแต่ตามไม่ยิงพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้วางเฉยแบบโ ง, โง่ๆคือเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นเจ้าอาวาสอย่างหลวงพ่อเนี่ยเราก็ควรจะทําตนอย่างไรมีการอบรมมีการแนะนาํนาสั่งสอนภาสิทธนุสิทธตหรือว่า การกระทำยังไงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ไหนให้เป็นผู้นำพอสมควรอย่าไปทาผิดทำมิไหนให้แก่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องได้พบได้เห็นในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินเราควรทำตนอย่างไรปกครองอย่างไรในเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่เราควรทำตนอย่างไรให้ลูกดูแนะนำสั่งสอนลูกอย่างไรในแต่ละหัวหน้าแต่ละหน่วยแต่ละเหล่ า, าล้วนแล้วจะเป็นให้รู้จัก สถานะของตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นอยู่ในสถานะนั้นๆพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้แต่ไพอมาอยู่ตามลําพังพอมานั่งภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิขึ้นมาเรามาคิดในใจเลยเราเอ้ย ơi, ถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะแต่ว่าเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกทุกอย่างร่างกายของเราที่เรารักขนาดนี้เราก็ยังทิ้ง อีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาไฟทิ้งเพราะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเราจะไปยึดมั่นอะไรมากมายนักหนานะแต่เมื่อเราทําเราต้องทําให้ดีที่สุดแต่มาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องทิ้งจะต้องปล่อยวางจะต้องทิ้งเพราะนั้นอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นจนมากเกินไปนะอันนี้คือการสอนใจถ้าคนรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วนั่นแหละเท่ไหนไปอยู่นัสถานที่ใดถินด่นใด จะมีความสงบร้มเย็นเป็นถูกอะไรก็ได้ทาให้ถูกใจตัวเองก็เออทํามันเอาถามแล้วสู้แล้วมันไม่ไหวแล้วเอาหยวนอให้ายๆว่าตกลงใจได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้เราบอกคนมีธรรมในใจไม่ใช่ว่าดันทุลังจนหัวกิดหัวกุดหัวขาดก็สู้กันอย่างนั้นไม่ใช่นะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตใจเพราะในร่างกายของเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อว่าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ตรวจตราสํารวมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในปัจจุบันควรทําตัวอย่างไรทิฏฐธรรมิกาตประโยชน์สัมปรายิกัตประโยชน์ุรรทธ์ ประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นยังไงตลอดถึงการวางตัววางใจควรทําใจยังไงควรวางตัวอย่างไรอย่างเนี้ยผู้ไอพ ว, พวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อนําไปพิจารณาไตรตรองตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะประสบจากความสุขความเย็นใจนะ อตอนนี้ไปรับพร น, นัตนินะอนุโมทนาให้พร